ก็ไล่ดูว่าแมลงกี่ตัวในนี้แล้วอนาบริเวณรัศมีแถวนี้เนี่ยสุขตเตนี่นะนับได้เลยนะเดรัชานนับไหวไหมล่ะสัตว์ในอบายนับไหวไหมล่ะแล้วในบริเวณเขตน้องแหนเนี่ยนับมนุษย์เนี่ยนับครบนะแต่นับยุงนี่คงนับไม่ครบมั้งน่ยนะเยอะจริงๆนะลูกน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็แมลงมดปลวกสัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมายน่ยนะ เมื่อสัตว์มากมายลักษณะ น, นั้นสัตว์ที่ไปอบายแล้วเราเคยเห็นสัตว์ในอบายฟังธรรมไหมไม่เนนะอเมื่อสัตว์ในอบายเหล่านั้นไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้เจริญกุศลสัตว์เหล่านั้นที่จะมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากจริงๆยากง่ายนี่เราก็คิดดูว่ากุศลที่จะให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือทานศีลและภาวนา วันนี้เราเห็นตั้งกะเช้าเห็นมากี่ครั้งละกับพิบตากี่ครั้งเห็นรูปเนี่ยมากนะถามว่าเมื่อตามองเห็นน่ะทานนักกุศลเนี่ยเกิดกี่ครั้งจิตที่คิดจะให้เมื่อมองเห็นสีแล้วนะมีกี่ครั้งอถ้าไม่มีแล้วเป็นอะไรอะเอาแล้วหูได้ยินเสียงตังกะเชาามาเนี่ยได้ยินเสียงกี่คำละ ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเกิดกี่ครั้งก็เกิดไม่กี่ครั้งเองจมูกหายใจเนี่ยวันหนึ่งหายใจไมันกี่ร้อยรอบเนี่ยนะหายใจแล้วได้กลิ่นเออเป็นไปกับทานศีลภาวนากี่ครั้งวันนี้ทานข้าวกี่คําก็ต้องเอามือก่อนมือแล้วประมาณสี่สิบคำก็สามมือก็ร้อยยี่สิบกระคำผลไม้อีกนิดหน่อยโอ้หลายคำเหมือนกันนะ แต่ละคำนี่มีทานศีลภาวนาใส่ลงไปในนั้นไหมหายากนะอะแล้วกายกรรมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนแลเป็นไปกับทานยืนแล้วเป็นไปกับศีลแต่ว่ายืนแล้วเป็นไปกับศีลบ่อยนะวันนี้วันอุโบสถง่ายหน่อยเห็นไยืนแล้วเป็นไปกับศีลเป็นต้นอะพอได้บางท่านแต่หลายท่านไม่ได้เพราะไม่ได้ปารูป ส, สุรสีลเลยเพราะฉะนั้นภาษาทารูปทางกายที่เราก็รับกระทบเนี่ยนะ ปวดหัวแล้วนึกทานศีลภาวนานันะเ ย, ย, ย็นที่เท้านึกถึงทานศีลภาวนาอย่างได้ย่างหนึ่งมันยา ก, ลกเลยทรานการรับรู้ในประสาทสัมผัสแต่ละอย่างหมายถึงต่อด้วยความคิดทั้งนั้นเลยเมื่อต่อด้วยความคิดปุตุชนเรานั้นจะคิดด้วยจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเท่านั้นเองพรานถ้าคิดด้วยอกุศลก็เรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นปกปิดสัจจะปกปิดความจริงหมด เรื่องเลยนะถามว่าปิดยังไงอา้าวตามองเห็นสีเห็นแต่สีแต่ไม่เห็นอริยสัจเลยหูได้ยินเสียงเนี่ก็ได้ยินตั้งแต่เชา้าจนเย็นอวิชชาปิดไม่ให้เห็นอริยสัจเลยหายใจเข้าหายใจออกตั้งแต่เชา้าจนเย็นแล้วก็หายใจไปแต่ว่าหายใจไม่ได้เห็นอริยสัจเลย ปิดไว้เรียบร้อยนะใช่แต่กลิ่นแต่ไม่ไม่ได้รับรสชาติไม่ได้กลิ่นแห่งอริยสัจวย่างนั้นแต่ไม่ได้รับกลิ่นแห่งศีลเป็นต้นนั่นแหละได้รับแต่รสอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นต้นแต่ไม่ได้รับรสชาติแห่งมีมุติรสเลยเนี่ยไม่ได้รับรสแห่งความหลุดพ้นเลยสัมผัสแต่อารมณ์ทั่วไปแต่ไม่ได้สัมผัสอริยธรรมเลยคิดแต่เรื่องราวทั่วไปแต่ไม่ได้คิด กุศลเลยนะคิดเรื่องราวที่เป็นไปกับกุศลเลยเมื่อกุศ ล, ลจิตเกิดยากอย่างนี้แหละหรือว่าไม่เห็นความจริงเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าอาวิชชาสัตว์ทั้งร้ายมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นอวิชชาเกิดแล้วปกปิดไว้เรียบร้อยนะตัญหาก็บอกเออดีนะาตัญหาก็ฉาบทาลูปไลไว้ทันทีเลยอนพระองค์จึงทรงแสดงว่าโลกอัน อ, ว, อวิชชานีหุ้มหอ่อปกปิดไว้ หุ้มห่อทางตาไม่ให้มองเห็นสัจจะหุ้มห่อทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ให้เห็นอริยสัจอ้าวแล้วเห็นอาตมาป่ว ย, ยเจ็บอย่างเงี้เห็นอริยสัจหรือยังเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเอาแล้วบรรลุหรือยังยังเอออย่างนั้นเห็นแต่สียังไม่ได้เห็นอริยสัจใช่ไหมอย่างนั้นใครซื้อภาพคนป่วยมาติดข้างฟ้านี่ก็โอ้ไกลแล้วสบายแน่งานนี้ เบาแน่นอนเลยนะการตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้ที่สีแต่ตรัสรู้ที่ปัญญาเมื่อมีปัญญาแทงตลอดสัต์จะแทงตลอดความจริงเหล่านี้แล้วจึงจะเกิดการตรัสรู้ธรรมนั้นตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องชาบทารูปไลอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นถามว่าอะไรเป็นภัยของโลกเหล่านี้อะไรเป็นภยัย ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนะของเราเนี่ยลืมเขาบอกว่าไอ้วันนี้เสียเวลาไปวันหนึ่งถ้าบอกว่าเสียเวลานี่บวกอะไรเข้าไปรู้ไหมบวกอะไรกับเวลาไปด้วยอะไรเออถ้าบวกเวลาไอ้ถ้าพูดถึงเวลาแล้วนะว่าเสียเวลาเนี่ยบวกชีวิตเข้าไปด้วยนะเสียเวลาสิบนาทีก็เท่ากับชีวิตของเราเสียไปสิบนาทีแล้ว เพราะฉะนั้นการเวลานี่กลืนกินสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายถูกการเวลานี่กลืนกินการเวลากลืนกิ น, กนสัตว์และกลืนกิ น, ก น, กนตัวมันเองวันคืนก็ผ่านไปผ่านไปอยู่ลักษณะนี้แหละอันถูกการเวลานี่กลืนกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อการเวลาถูกกลืนกินอยู่ลักษณะนี้แล้วถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเพียงพอไม่เป็นพระอรหันต ก็ถูกเวลากลืนกินแต่พระอรหันต์ไม่ถูกการถูกเวลากลืนกินเพราะท่านพ้นจากการแล้วถามว่าพ้นจากการนี่หมายคำ ว, ว่าไงเพราะจิตของท่านสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบเย็นแล้วสันติลับพนังก็คือลักษณะที่สงบหมายถึงนิพพานแต่คนที่จะรู้สงบแสดงว่ารู้ความวุ่นวายคนที่รู้จักเย็นแสดงว่ารู้จัก ร้อนคนที่รู้จักอิ่มแสดงว่ารู้ท้วนปู่ทุชนก็หลงไหลอ ย, อยู่ในทุกนั่นแหละทำเบญธรรมกรรมอะไรมานาะจึงทุกข์จริงก็วงวลกันเกิดแม้ว่ารู้จักความทุกข์เอาถามว่ารู้จักทุกข์เนี่ยรู้แค่ไหนจึงจะเรียกว่ารู้จักทุกข์นะทำให้มันปวดใช่ไหมอังนะงั้นคนปวดก็รู้จักทุกข์กันหมดแต่นั่นรู้จักทุกข์ด้วยกายแต่ไม่ได้รู้จักทุกข์ด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นถ้าทางกายเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเจ็บปวดอยู่พระารหัสถูกทุบ ถ, ถูกตีท่านก็เจ็บปวดท่านเจ็บป่วยท่านก็ปวดแต่ปวดป่วยอย่างนั้นสําหรับผู้ที่เป็นพระริยเจ้าท่านวิเคราะห์ทุกเหล่านั้นอย่างละเอียดละอ่ทีท้วนปุถุชนก็หลงไหลอ ย, อยู่ในทุกนั่นแหละทําเบญทํากรรมอะไรมานาะจึงทุกจริงๆก็ว่างั้น เกิดมาก็ไม่ได้ทําบาปทำกรรมอะไรเลยแต่ไม่เคยเป็นกุศลอย่างไงใช่ไหมทั้งคนก็บน่นเกิดมาเขาไม่เคยได้ทําบาปทํากรรมอะไรเลยนี่ก็ถามว่าทํากุศลอะไรมาบ้างอนึกไม่ค่อยออกแต่เขาบอกว่าบาปไม่เคยทำไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรกันนะั่นนะฟังแล้วแหม่พูดยากเหมืนกันนะเพราะจิตของปุถุชนมันก็มีสองอย่างกุศลกับอกุศลก็บอกเขาไม่ได้ทําบาปแต่ให้นึกนึกหากุศลดูสินึกไม่ค่อยออกเลย่ะ มันก็บาปบริสุทธิ์จนไม่รู้ว่ามีบุญผสมเลยเนาะนันก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเมื่อเรามองเห็นความเป็นไปของชีวิตในลักษณะนี้อย่างอย่างตลอดสายแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราควรใคร่ควรวญถามว่าชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะเราจะพ้นจากวัฏจุกเหล่านี้ได้อย่างไร อ่นะนะเมื่อเรามองเห็นชีวิตของเราที่เป็นไปตลอดสายอย่างนี้แล้เราจะพ้นจากวัตถุทุกเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะใครมีวิธีทางออกมั่งเล่าให้ฟังมั่งนะเจอทางหรือยังเจอทางหรือยังเออนี่แหละใช่แล้วละ่ะถูกแน่ไม่ผิดเลยกันเนี่ ย, ม, ย, ยมั่นใจแล้วละ่ะอา่อาอ่าเจตนากุศลกับอกุศลมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว ศึกษาธรรมะก็มีกุศลอกุศลประกอบไม่ศึกษาก็มีกุศลอกุศลประกอบยกตัวยอย่างนะแม่สงสารบุตรด้วยความบริสุทธิ์ใจให้อาหารบุตรกินเนี่ยเป็นกุศลไหมเป็นนะคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมเขาก็เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมเป็นกุศลไหมก็เป็นเมื่อเป็นเนี่ยเขาก็มีเจตนากุศลอกุศลเหมือนกันนะสลับคล้าค้ากันไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาป แต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ปรารถนาความพ้นทุกข์เขาจะทำอย่างไรทำอย่างไรก็บอกว่าอิทัตะท่าฆโตโลเกอ ป, ปันโนอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิจาจรณะสัมปันโนสุโโตโลกวิตูพอนึกทางออ ก, กอย่างไร น, นึกถึงออกแล้วว่าพระตถาคตทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหงังพระองค์เป็นพระอระหันต์สัมมาสัมพุโทโธ ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตพระองค์เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตรโรนะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าปุริสธรรมสารทิเป็นผู้ฝึกบุรุษสาธาเทวมนุษยานางผู้สั่งสอนประโยชน์แก่ักะแก่เทวดาและมนุษย์ ผู้โทเป็นผู้กําจัดราคะโทะโมหะผู้เป็นสัพพัญญูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็พระขวาผู้มีโชคผู้มีพระคธรรมผู้ทําลายพระคธรรมผู้มีส่วนแห่งอริยคุณเป็นต้นนะพระองค์เนี่ยอุบัติตรัสรู้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะผู้มีคุณงามความดีอย่างนี้นะอ่นะพอมองเห็นแสงสว่างหรือยังอ่นะอันนี้เป็นบันไดเบื้องต้น นั่นแหละท่านก็ถ้าสำนวนเราเราก็เรียกว่าเกาะชายไม่ใช่ช้จีวรนะชายพระธรรมของพระองค์นั่นแหละท่านพระองค์ตรัสไว้ว่าพระธรรมคํำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยพระธรรมคํำสอนเหล่านั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพร้อมทั้งหมูสัตว์ให้แจ้งยิ่งด้วยพระปัญญาเองแล้วท่งสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตัดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมที่ไพร่ในเบื้องต้นไพระในท่ากลางไพร่ในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั่น แล้วพระธรรมคำสอนของพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรใจของเราที่เป็นไปกับคำสอนชื่อว่าเริ่มเดินตามทางเพื่อออกจากวัฏทุกขแต่ถ้าเราหันหลังกลับจากคำสอนเวลาใดเราก็เดินไปหาพญามารว่าถ้าใจเป็นไปกับคาสอนเมื่อไหร่ก็เป็นไปกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าใจไม่เป็นไปกับคำสอนเมื่อไหร่เป็นสาวกใครรู้ไห ของเราเนี่ยมี ม, มีเรามีศาสดาอยู่ทุกวันเนี่ยนะใครคือศาสดาของเรารู้ป่ ะ, ะพะตาละบุตรก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าเป็นสาวกของจิตแต่บัดนี้ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าของเราก็มีศาสดาของเราก็คือจิตนั่นแหละขอให้จิตบอกอไปหมดแหละไปเที่ยวหน้าเอาไปก็ไปหมบบนั้น ขอให้จิตบอกเลยไปมาแหละฮันเชื่อเขามาโอ้ยเชื่อจริงๆเลยจิตเนี่ยเป็นสาวกของจิตฮันถ้าไปตามสาไปตามจิตเข้าว่านะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเพราะจิตของเรามีไม่แนะนำดีๆเนี่ยหายากแต่พระพุทธเจ้าแนะนาให้เราชั่วมีไหมไม่มเีเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว นะอันทายังไงที่ใจของเราจะเป็นไปกับคำสอนให้มากา น, นะทำยางไรใจจะเป็นไปกับคำสอนให้มากสมณเณรเอาเล่นยี่สิบไหมนนีะ่ทำยังไงใจจึงจะเป็นไปกับคำสอนให้มากอันการเกี่ยวข้องกับคำสอนมีสองลักษณะหนึ่งฟังสองคิดนีด่นะหรือเรียกว่าโยนิโสมนสิการะนี่นะ ถ้าหากว่าเราไม่ฟังเราไม่คิดเราไม่ตรึกแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็ไม่ได้เป็นไปกับคำสอนทีนี้ทำอย่างไรพี่ขวักในพระสูตรนี้พระผู้มีประภาครงแสแดงพระอริยสาวกชนิดและประเภทต่างๆมาสาวกนี่เป็นใครสาวกขณะนั้นใจของเราเนี่เริ่มหนักไปเรื่อยๆเมื่อเกณฑนสาวกของ เพราะจิตเพราะการฟังพระสัธรรมนั้นมีความสำคัญมากอย่างข้อความในกีตาคิริสูตรในคำพีมัชฌิมนิกายมัชฌิมาปันนาตในพระสูตรในพิขุวะ ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระอริยสาวกชนิดและประเภทต่างๆมาสาวกนี่เป็นใครสาวกก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะเมื่อกี้เท่ากับกล่าวถึงพระพุทธแล้วนะกล่าวถึงพระธรรมและแล้วก็กล่าวถึงพระพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้อริยสาวกที่จะบรรลุอริยธรรมบรรลุมรบรรลุผลบรรลุนิพพานการเรียนการศึกษาการปฏิบัติต้องเป็นไปโดยลำดับต้องเป็นไปโดยลาดับถ้าไม่เป็นไปโดยลำดับพ้นจากวัตถุทุกเหล่านี้ได้ไหมย น, นะดูว่าถ้าเราเป็ปฏิบัติตามลำดับเหล่านี้นะก็ยิมได้เลยว่าเราเดินทางใกล้ความสิ้นทุกข์เข้าไปแล้ว แต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามนี้ก็มีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกขอย่างลงแล้วพระ อ, องค์ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหั ต, ตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหามิได้นะเพราะการตรัสรู้หรือการบรรลุการตั้งอยู่ในอรหั ต, ตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหามิได้ แต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับคำว่าศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสิกขามี3มอย่างหนึ่งอธิสีและสิกขาเห็นการศึกษาเรื่องศีลศึกษาก็คือปฏิบัติเรื่องสีนั่นเองเจริญเรื่องศีลอธิจิตตสิกขาก็คือการปฏิบัติในเรื่องจิตอธิปัญญาสิกขาก็คือการเจริญ เพราะฉะนั้นการตั้งอยู่ในอรหัตผลนี่จะต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทธรรโดยลำดับเพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุท่านก็ควรจะสมาทานทุดดงถ้าเป็นฆราวาสก็รู้จักอิ่มรู้จักพอในวัตถุกรรมนะถ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็ยาก แล้วก็มีด้วยการปฏิบัติโดยลําดับเช่นสมถะวิปัสสนาก็ต้องมีการเจริญโดยลําดับดูความพิสูจนทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลําดับด้วยการทําโดยลําดับด้วยความปฏิบัติโดยลําดับอย่างไรดูความพิสูจนทั้งหลายกุลบุตรในธรรมวินัยนี้ตทาคตโพธิสัทธาศสัทธาในคุณของ พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นเพราะทรงผู้ดลักษณะที่ถ่องธรรมตามวินยัยมีสติปัญญา ก, กล่าวถูกทำถูกวินยัยก็เก้าเข้าไปใกล้คนนั้นแหละคนที่กล่าวทรมาวิ น, ยนัยนะขณะที่เขากล่าวนะขณะอื่นอย่าไปเอาเอาเฉพาะขณะที่เขากล่าวทำมาวินยัย ขณะนั้นเท่านั้นแหะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดศรัทธาและเข้าไปใกล้ศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นเพราะทรงทรงอะไร ตรัสรู้ลักษณะที่ทองแท้พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงความแท้พระองค์มีพระวาจาที่จริงที่แท้อ้ตถาคตเนี่ยโหพูดคืนนี้ก็ไม่จบเยอะมากแสดงว่าฝากไว้ให้ไปศึกษากันต่ อ, ตอไปอ่านแล้วไม่จำเนา ะ, ะเสียงไม่คมใช้ดาหนั ก, นกๆาำนั้นอ่านบ่อยๆเอาละกันอ่านเหมือนสวดมนต์เลยเนะ ความหมายของคําว่าตถาคตเนี่ยคือมีศรัทธาในพระตถาคตนั่นเองศรัทธาในพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอันคนที่สวดมนต์บ่อยๆก็แสดงว่ามีศรัทธาในพระตถาคตพระตถาคตช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี่เขาสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้ นะเมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงนะไม่ใช่ไปใกล้ท่านแล้วก็ไปอย่างอื่นไม่ใช่ไปเงี่ยโสดเพื่อฟังอริยสัจะ ธ, ธรรมเพื่อฟังพระธรรมคําสอนที่พระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงแล้วนะก็เมื่อเงี่ยโสดแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วทำยังไงย่อมทรงธรรมนั้นไว้ทรงแปล ว, ว่าอะไร เอามันนุ่งหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ